ขอาความสุขความเจริญจะมีแ่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้นำเรื่องในเทระคาถาบาลีกุตตกานิกายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังปาลีในเทระคาถาคือท่านเรียกพวกนี้เป็นชุดหนึ่งเทระคาถาเถรีคาถาเปตวัตุวิมานวัตุธรรมบดจะ ในพระไยบิดกเองนั้นจะมีเฉพาะตัวคาถาเท่านั้นแต่ท่านจะนำเรื่องจากที่อื่นมาอธิบายขยายความปฐ ม, มเหตุชีวประวัติตอนตั้งแต่เริ่มตั้งปณิธานของท่านเหล่านั้นแล้วก็เรื่อยมาจนถึงออกปวดแล้วก็กล่าวคาถานั้นซึ่งก็เป็นแนวแปลกจากพระสูตรตัวอื่นที่มีต้นเรื่อง บอกสถานที่ต่างๆไว้เสร็จเรื่องแรกก็เป็นพระเทระรูปแรกในเทระคาถาคือพระสุภูติเทระคาถาก็มีเพียงสองบรรทัดแต่สามบรรทัดเป็นใจความว่ากุติของเราได้มุ่งดีแล้วฝนก็ไม่ตกรั่วรดแล้วเราก็อยู่สบายดีแล้ว ผลเอ๋ยเจ้าจงตกลงมาเถิดจิตใจของเรามีความมั่นคงไม่หวั่นไปมาก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นข้อความที่พระสุภูติเทระท่านได้กล่าวประวัติความเป็นมาของท่านนั้นท่านย้อนไปไกลามากเลยคือหนึ่งอสศงไขกระแสนกันเมื่อดตการนานมาแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปฐุมุตระได้อบัติบังเกิดขึ้นในโลก มีมาน์คนหนึ่งชื่อว่านันทมานพในอังสะว ด, ดีนครเป็นลูกโทนของมารดาบิดามีทรัพย์สมบัติมากเมื่อมารดาบิดาตายแล้วตัวเองก็ต้องรับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแต่เนื่องจากท่านพิจารณาเห็นว่ามารดาบิดาตลอดถึงปู่ย่าตาทวดของท่านได้ทำงานเก็บเงินรวบรวมเอาไว้ด้วยความเหนื่อยยากลาบาก เป็นทาดรับใช้เงินอยู่นานแล้วก็ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ท่านเห็นว่าท่านก็คงจะมาอีรอบเดียวกันอีกละก็เลยเอาทรัพย์สมบัติทั้งปวงนั้นบริจาคทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จนหมดสิน้นและในที่สุดตัวเองก็ออกบวชอยู่ในป่าบำเพ็ญเพียรเจริญฌานสมาธิจนบรรลุรูปฌปาน ได้พิญญาที่เป็นโลกิยะมีคนเคารพนับถือมากเพราะเป็นยุคสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายัางไม่เกิดยังไม่ตรัสรู้ไม่ใช่ยังไม่เกิดมีคนบวชตามท่านถึงสี่หมื่นสี่พันคนต่างอารษมก็อยู่ในป่ากินผลไม้ต่างๆเป็นอาหาร เมื่อพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระได้จัสรูพระนุตรสมาสัมโพธิยานแล้วได้เทศนาสั่งสอนประชาชนไปในสถานที่ต่างๆจนมีคนนับถือมากกบวฏมากเลยและต่อมาได้ทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของบริวารคือลูกศิษย์ของท่านนันตกะดาบดแนันทน า, าบดจึงเสด็จไปโปรด เป็นการเสด็จไปโดยลําพังพระองค์แล้วก็ไปโดยอิทธิริศหรือใช้พิญญาไปตอนนั้นพระลูกศิษย์ ท, ทุกผู้เป็นดาบทก็ได้ออกไปจากอาสมไปหาผลไม้มาเลี้ยงดูกันท่า น, นันธาดาบทก็อยู่อาสมเพียงคนเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงก็เลื่อนลอยอยู่บนอากาศแล้วก็อธิษฐานพระไถย์ว่าให้ดาวบทรู้ว่าพระองค์เป็นใคร ตาบทก็มองไปเห็นบ่าสัตว์นี้ไม่ใช่คนธรรมดาเอตันใช้คำว่าสัตว์เหมือนกันนะแต่ว่าสัตว์นี้ไม่ใช่คนธรรมดามีอนุภาพมากต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านตรวจดูพระรูปกายของพระองค์ว่าต้องตามมหาปริศลลักษณะสมทสองประการน่งท่านท่านเนื่องจากท่านเป็นผู้แตกฉานในเรื่องนี้มาก่อนในที่สุดก็เข้าไปเฝ้าถวายบังคม พระพุทธเจ้าก็รับสั่งสนทนากันไปก่อนตาดาบทก็นั่งข้างหลังพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ข้างบนพอลูกศิษย์ดาบบททั้งหลายกลับมาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเรานึกว่าอาจารย์เราใหญ่แล้วนะเนี่ยทําไมมีคนใหญ่กว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็ดูอัศนะกันดูอัศนะใครสูงใครต่ําพระลูกศิษย์เหล่านั้นก็เข้าไปหา อาจารย์บอกว่าอาจารย์พวกผมนั้นอยู่กับอาจารย์มานานก็คิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครใหญ่เสมออาจารย์แต่วันนี้ทําไมบุรุษคนนี้จึงแสดงว่าใหญ่กว่าอาจารย์ท่านนั้นถ้ามานอ บ, บอกว่าพอคุณทั้งหลายทําไมพวกเธอกล่าวอย่างนั้นทําไมเธอเอาไอ้เมล็ดพันธุ์ประกาศไปเทียบกับเขาพระซูมเมนได้เธอจะเอาฉันไปเทียบกับพระเจ้าได้อย่างไง พระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับเขาประสุมเมนจะมีความสูงมากซึ่งในนั้นท่านบอกไว้ถึง 68,000 ่นแนยดสูงมากแล้วก็ท่านเองนั้นเปรียบเหมือนมเมลไดพัน์ปรกกาศท่านนั่นเองจะเทียบกันได้อย่างไรและในที่สุดก็ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายถวายบังคมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สรงอธิษฐานพระไถย ให้สาวกตามเสด็จด้วยด้วยอิทธานุภาพนะฮะคือมันมันพวกนี้ก็ไม่ใช่เล็กๆลยกจต้องใช้กำรับกันด้วยอิทธิฤทธิกันก็มาด้วยอานุภาพใหญ่มากหรือเลื่อนลอยกันมาหมดเลยตอนนั้นถ้ามานพดาบทเห็นเช่นนั้นก็สั่งเตรียมสถานที่แล้วก็อยู่ในป่านะก็นั่งกันในป่าในสุดก็บอกให้ลูกศิษย์เลี้ยงดูพระสงฆ์และพระพุทธเจ้า ก็ขอรับเลี้ยงดูตลอดทั้งเจดวันแต่ลูกกัญชาพวกดาบทก็ไปหาผลไม้มาถวายแต่นันทาดาบทเองไม่ยอมไปยืนเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นั้นพระพุทธเจ้าต้องการจะให้ดาบทนี่ได้ผลมากเลยข้าสมาบัตหมดเลยเพราะงั้นพระอรหันต์เหล่านั้นก็ไม่ได้ฉันในระยะ7วันนี้ก็ไม่ได้ฉันก็นั่งอยู่ในสมาบัตหมดข้าวนิโรธสมาบัตหมดเลยพระพุทธเจ้าก็ข้าวนำ ดาบดก็ยืนกัน้นไว้ด้วยฉัดดอกไม้ไม่ให้น้ำค้างแสงแดดต้องพระวรากายพระพุทธเจ้ารอครบเจ็ดวันดาบทดาบเหล่านั้นก็ขนผลไม้มาเลี้ยงดูเป็นการใดญ่แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงอัญโมทนาเองเพราะต้องการจะอนุเคราะห์ดาบทนันทามานไอ้นันทดาบด ก็ให้พระสาวกซึ่งเป็นพระหันรูปหนึ่งเป็นคนแสดงอนุโมทนาพระเทรารูปนี้เป็นผู้ที่เรียกว่าคือมีความสงบสงเงียมสวยงามนะสงบสงเงียมสวยงามสร้างความประทับใจมากท่านนั้นท่าดาบดเมื่อเห็นภิกษุรูปนั้นทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าคืออนุโมทนาแทน ท่านก็เกิดประทับใจพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมดาบดลูกศิษย์นั้นศรัทธาเปี่ยมลน้นฟังเฉพาะธรรมะแต่นั่นเองดาบด ท, ท่านคิดไปอีกเรื่องหนึ่งแหมถ้าเราได้เป็นอย่างภิกษุรูปนี้ในสำนักพระพุทธเจ้างองค์ใดองค์หนึ่งก็จะดีหรอกในขณะฟังเทศก็ฟังไม่ไม่แ ม, ม, ม, ม่นั่นแหะไม่มีสมาธิใจไปคิดอยู่นั้นอยากเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งพอพระพุทธเจ้าประทุน ปทุมุตระแสดงธรรมจบลูกศิษย์บรรลุอรหัตหมดอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าใจฟุ้งสั้นไม่สมแล้ท่านก็ไม่ได้เสียใจอะไรพระเจ้าปทุมุตระรับสั่งให้ท่านเหล่านั้นเป็นเอหิปุกุมาคือรับสั่งให้เป็นภิกษุเทิดเพศท่านก็กลับเป็นภิกษุมาสตนั้นทามานบไม่ติดใจจะบวชอยากจะบวชในสำนักพระพุทธเจ้าอื่นอยากจะ ได้ตําแหน่งเช่นเดียวกับพิกษุรูปนั้นได้ก็ได้กราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุญกุศลที่ท่านทําทั้งหมดในคราวนี้ไม่ต้องการสมบัติอย่างอื่นแต่ต้องการในท่านเป็นพระอาหารหันต์รูปใดรูปหนึ่งในตำแหนังของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็ได้ทําหน้าที่เหมือนพิกษุรูปนี้ท่านั่นเองพระเจ้าก็ทรงใช้อนากรารสยานดูก็รู้ว่าต่อไปในท่านจะได้ตําแหน่งนี้ในตำแหนังของพระพุทธเจ้า คือว่าสมณะโคดมหรืก็อีกนานนะฮะแสนอสงไขกระอืนน่นอสงไขกระแสนกันทีนี้แล้วท่านก็กราบทูลส่งพระพุทธพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหมดกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยมองส่งจนลับตาเลยมองส่งจนลับตาเพราะงั้นในความจึงตาในพุทธานุภาพนี่สูงจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็จเจริญพุทธานุสติตลอด เราลึกถึงพระพุทธเจ้าในอริยบททั้งปวงจนฝังอยู่ในจิตสันดานแล้วก็เรื่องนี้ท่านก็ย้ายมาเล่าอีกแข่งหนึ่งในอปาทานในอปาทานก็อยู่ในปัจจัยบิดกเหมือนกันก็เป็นคำเล่า ก, ก็เทรุ ป, ปาทานแล้วท่านเล่าเป็นใจความโดยสรุปจากตอนต้นที่กล่าวมาแล้วนะฮะเราก็เล่าจากตอนว่าท่านนั้นด้วยผลของการเจริญพุทธานุสติ หลังจะตายไปแล้วได้เกิดในพรหมโลกหลายครั้งเกิดเป็นท้าสกะหลายครั้งแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่เคยตกต่ำคออือยังยังต่า ม, มาเป็นพระราชาคือไม่รู้จะต่ำกว่ามนุษย์ได้ยังไงนะพระราชาก็สูงที่สุดคือคือเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชาสรุปว่าในสังสารวัตรตั้งแต่ตั้งปณิธานความปรารถนานั้นท่านเจริญพุทธานตุติตลอดเจอทุกภพทุกชาติพราะฟังในจิตตะันดาลของท่าน ใครรู้ไม่รู้มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็มีให้ท่านระลึกเพราะเป็นบารมีของท่านจนในช่วงชาติสุดท้ายคือชาติชาตินี้ท่านก็มาบังเกิดเป็นน้องชายของท่านอนาตบินทิกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีที่วัดสุภูติเมื่อท่านอนาตบินทิกาเศรษฐีได้ไปที่กรุงราชชึกซึ่งพี่เขยของท่านอยู่ที่เมืองนั้น ตอนนั้นข่าวพระพุทธเจ้าอุบัติยังยังไม่เป็นที่รู้กันแทร่หลายรู้กันเฉพาะในแวดวงของกลุงมราชสัก์เท่านั้นเองว่าตอนตัดสรุปใหม่ๆข่าวคร า, าวก็ยังไม่ได้ไปถึงกรุงสาวัตถีตนะนาตะบินทิกะมาในสำนักของราชกะเศรษฐีซึ่งเป็นพี่เขยราชกะเศรษฐีก็ทักดอยหนึ่งแล้วก็ไปยุ่งอยู่ที่ในครัวในหลังบ้านอะทำงานมีโรงมีคนเจ้าหน้าที่ทํางานกันเยอะแยะเลย ท่านก็โโปรไปดูปกเอ ท, ที่เคยเรานี่เป็นยังไงไปเมื่อก่อนก็ทักทายดีวันนี้ไม่เห็นสนทนาเลยนะจนราชังหะเศรษฐีเสร็จทุระแล้วกลับมาก็คุยกันท่านก็ถามบอกไม่ใช่มีอะไรหรอกคือพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้ารพระสงฆ์มาฉันมาสเสวยด้ฉันไหนนิเปตจึงต้องไปจัดการเรื่องเหล่านี้ เรื่องอื่นท่านนาตบินติกาเศรษฐีั้งฟังไม่ได้ยินลยแล้วท่านได้ยินเฉพาะพุทธะเท่านั้นเองก็ถามว่าอะไรนะท่านว่าอะไรนะท่านก็บอกว่าพุโทโธโลกเกอุอปนอพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกมันเป็นเสียงที่ที่ฝ่ายขันกันมานานทา น, นาตบินติกะเศรษฐีต้องให้พี่เขยยืนยันทั้งสามครั้งนะเพรว่าท่านจะฟังผิด ในสุดก็พีเ่เขยก็ยืนยันทั้งก็ขอบอกว่าทางขั้นขอเหมาไอ้ของที่พี่เตรียมทั้งหมดเนี่ขอซื้อขอขอเป็นเจ้าภาพเองรงอาชกนาเศรษฐีแกก็ไม่ยอมก็บอกว่าให้ไปร่วมทําบุญด้วยกันกันและกันและพรุ่งนี้ไปฟังธรรมแต่ถ้านาตบินิกาเศรษฐีนั้นท่านใจร้อนเหลือเกินท่านอยากจะเห็นพอตกกลางดึกท่านนึกว่ารุ่งแล้วเพราะใจท่านสว่างไวปเป็นกลางวันไปแล้ว แต่ก็ลุกขึ้นเดินมากลางดึกเลยดังใจมาฝ้าพระพุทธเจ้ามาถึงก็เจอมืดข้างหน้านึกจะกลับแต่ว่าจิตใจก็มีความมั่นคงในที่สุดก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าที่สีตะวันป่าชาผีดิบท่านที่เคยไปอินเดียมาก็จะเห็นที่พระเวรุวันเมื่อข้าวฟังธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าก็ใช้พวกเยโตปริยานนะฮะกับท่านานาตบินิกาเศรษฐีเนี่ยเกินนาตบินิกาเศรษฐีนั้นท่านชื่อจริงๆไม่จะไม่จะชื่อว่านาตบินิกาเราชื่อสุทัตต์สุทัตทต์ก็แปลว่าผู้ที่ให้ดีแล้วก็ใล้ๆกับพรหมทัตนะฮะผู้ที่พรหมประทานให้คือใล้ๆกับตำแหน่งที่มาจากพรหมโลกเลยชื่ว่าพรหมทัตเพราะงั้นชื่อพรหมทัตจึงเป็นชื่อที่นิยมกัน แต่ว่าสุทัตตนั้นชื่อเป็นชื่อที่ใครไม่รู้จักเพราะท่านให้ทานจนคนก็เรียกว่าอนาธบินทิกะแปลว่าคนที่มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาคือสองเคราะห์คนทุกวันให้ทานทุกวันเลยชื่อเดิมไม่รู้ชื่ อ, อยังไงคนไม่รู้จักแต่พระพุทธเจ้ารับสั่งทัดได้รับแล้วมาคอยต้อนรับอยู่นะฮะพระพุทธเจ้าก็มาคอยต้อนรับอยู่เพรู้ว่าอนาธบินทิกะเศรษฐีจะา่าโดยประยานนะฮะ พอรับสั่งพอเห็นเดินก็รับสั่งเรียกแล้วสุทัตะข้ามาเถิดตถาคตอยู่ที่นี่พวกยท่านก็ดีใจมากดีใจมากเข้าไปกไ็เรียกว่าตื้นตันปีติปราโมชจนจนร้องไห้แหละก็จุมพิษที่ประบาดของพุทธเจ้าแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแล้วก็สนทนาเหมือนก็คนรู้จักกันนานนะในสุดพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังท่านก็บรรลุมรุผลเป็นพระสดาบัน เ, เมื่อรุ่งกันเชา้าท่านก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่บ้านระเกียรติเศวตีตามเสด็จไปแล้วไปถึงก็ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าฉันที่นั้นอีกเจ็ดวันก็ยังไม่พอใจยังไม่สงใจท่านะก็ขออนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่สาวัตถีไปเผยแผ่าศาสนาที่สาวัตถีด้วยช่วยเหลือประชาชนที่เมืองสาวัตถีพระองค์ก็ รับแล้วก็รับสั่งเป็นในนะครัวัตถาคดทั้งหลายยินดีในที่สงัดรับสั่งเป็นในให้รู้ว่าหรือไม่ใช่ว่าไปแล้วจะให้ไปอยู่ใกล้ใกล้บ้านนั่นหรอครูแต่ก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกตรงๆบอกว่ัตถาคตทั้งหลายยินดีในที่สงัดธนาตบินนิกาเศรษฐีบอกว่าข้อนั้ข้าพระองค์รู้อยู่แล้วขอให้พระองค์เสด็จเมื่อข้าพระองค์ทรงข่าวมาทีนี้ท่านก็เตรียมทางรับเสด็จนะระยะทางก็ไม่ใช่เล่นท่านสร้างวิหารไว้ลงทุนแห่งละหนึ่งแสน สมบัติพักพระพุทธเจ้าเวลาเดินทางทุกๆทุกๆุกกหนึ่งยอดสร้างไว้ตลอดลเตรียมรัศเดษงานใหญ่มากแล้วก็ไปเตรียมที่ดินก็ไปหาพระเจ้ตะวันนะพระเจ้ตะวันตึงคนที่เคยไปอินเดียก็จะเห็นว่าก็ใกล้ากลารเมืองสาวัตถีไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปกลางวันไม่มีคนพลุกพล่านกลางคืนไม่มีเสียงรบ ก, กวนเหมาะสมบัตเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและผู้ต้องการความสงบทั้งหลาย แต่พอดีมันเป็นสวนวนะครับเป็นสวนเขาเจ้าเชษถานาตาบินกิกาเศรษฐีก็ไม่รู้จะทำํำไงก็ขอไปติดต่อซื้อเจ้าเชตกุมารก็คงจะไม่ต้องการขายนะเก็บพูดแบบประชดประชดบอกว่าจะซื้อก็ได้แต่ต้องเอาทองมาปูให้เต็มพื้นนะจะเอาจะขายให้ก็ น, นึกว่าอนาตาบินิกาเศรษฐีท่านจะไม่กล้าปรากฏว่าท่านเอาจริงเอาทองมาปูกันเลยมามาเรียงกันเลยให้เต็มพื้นที่ เกระดิที่นั้น8กระิกระดิ์ต้องคงเยอะนะครับเพระพเาะเปชตะวันก็กว้างจะเด่นในสุก็ซื้อได้ก็สร้างวิหารลงทุนถึง้าสิกฎสร้างอยู่นานพอเสร็จแล้วก็ราธนาระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่เปชตะวนันในเรื่องราวในที่ต่างๆก็จะกระจายประฏิดประต่อกันอยู่เยอะเยอะนะฮะจะนำมาต่อก็เรื่องมันมาก เราสรุปว่าในคราวฉลองพระเจดตวันนั่นเองน้องชายก็ไปฟังเทศด้วยฟังเทศก็เกิดศรัทธาเลื่อมสายขอบวชในพุทธสํานักแต่ตอนนั้นไม่มีเอหิปิคุแลออยังมีเอหิปิคุอยู่ท่านก็บวชแล้วออไม่กี่วันอนะ่ะเจ็ดแปดวันก็บรรลุอรหัตบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็มาที่กรุงราชชึก มาที่กรุงราชคฤุลก็น้องชายขก็นาตบินทิกาเศรษฐีนั้นประการหนึ่งเป็นพระหันรประการหนึ่งแล้วก็ชื่อเสียงท่านก็โด่งดังประการหนึ่งเนี่ยว่าเป็นผู้ที่สงบสวยงามตัทพูตินี้สงบสวยงามมากแต่ท่านก็มาที่กรุงราชสฤุลท่านก็ไม่รู้จักใครบางคนต่างเมืองพระหันก็เถอะก็ไม่ได้มีหน้ามาจโฆษณาให้อย่างหลวงพ่อในปัจจุบันก็ลําบากน่ก็เลย ท่านก็มาถึงก็ไม่มีที่พักอะ่ะท่านก็พักก็ตามโคนไม้พระเจ้าพิมิสารรู้ว่าพระสุภูติท่านมาก็ไปสนทนาคุยกันแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้ามีกุติพักรอย่างบอกว่ายัางอตอนนั้นยังไม่มีอะไรอะ่ะพระเจ้าพิมิสารบอกไม่เป็นไรไปรเดี๋ยวโยมจะให้คนมาสร้างให้ปรางคนรับปากแล้วลืมเลยลืมราชกิจท่านมากท่านลืมเลยลืมพระสุภูติก็อยู่นั่นเนี่ย อยู่จนจนก็อยู่กลางกลางแจ้งน่ะอยู่กลางแจ้งถึงฤดูฝนฝนไม่ยอมตกเลยไม่ยอมตกประชาชนก็ชักจะเดือดร้อนกันใหญ่เอ๊ะทำไมฝนมันไม่ตกประกาบทูลพระราชาว่าพระองคง์คงจะประพฤติผิดกฎธรรมะอะไรฝนจึงไม่ตกต้องตามฤดูกาลพระคนสมัยนั้นถ้าว่กฝนไม่ตกเลยพุ่งหาพระราชาก่อนประราชามีปัญหา ต้องให้พระราชาแก้ไขประปรุงพระองค์พระเจ้าพิมิสานท่านไม่มีปัญหาหรอกเป็นท่านเป็นพระโสดาบันตําบกเอวันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยสงสัยพระสุภูติยังอยู่กลางแจ้งนะงมั้งท่นก็ไปดูปรากฏว่าเห็นจริงลืมนึกออกเพิ่งนึกออกก็รีบสร้างสร้างกุฏิวันนั้นนลยพอสร้างกุฏิเสร็จพระสุภูติอ น, นิมลพระสุภูติเข้าไปอยู่พระเถราก็กล่าวเป็นอุทานนะอุทานแล้วก็เชิงคาถา คือเหมือนมันคำว่ า, าอุทานนั้นหมายความว่าเปลงขึ้นโดยลําพังตัวเองไม่มีใครมานั่งฟังเทศเดี๋วหรอกเพลงขึ้นโดยลําพังตัวเองเออว่ากุติเราก็มีแล้วได้มุงบังไว้เรียบร้อยแล้วก็มีประตูหน้าต่างปิดบางได้ไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายอยู่สบายดีแล้วฝนเอ่ยท่านจงตกลงมาเถิด จิตใจของเรามีความมั่นคงคุ้มครองรักษาดีมานานแล้วพอท่านพูดจบฝนก็ตกเลยตกกันเป็นการใหญ่ราษฎรก็ได้ชื่นบานธรรมาหากินกันได้นี่ก็เป็นเป็นอุทานแต่มันเกิดขึ้นตัวนี้แต่ท่านลากเรื่องมายาวเหยียดเอ่อตั้งแต่เป็นแสนแสนกันเลยเป็นแสนปีกันเลยก็ลากมามาจนมาชนคาถาตรงนี้เอ่อ ข้อความตอนต่อไปท่านไม่เล่าแล้วเพราะจะไปอยู่ในที่อื่นจะไปอยู่ในอังคุตระนิกายคือพวกเอตัคคาบาลีตอนนี้มีอปาะทานมีแค่ไม่ใช่มีเทระคาถามก็เล่ามาเฉพาะ ถ, าถึงคาถาม น, นั้นคือไม่ได้เล่าจนถึงนิพพานเวลานิพพานจะไปเล่าในที่อื่นนะฮะคือเรื่องของของพระพุทธเจ้าพอดีที่เรามาเรียนเป็นพุทธวัติเนี่ยมันปฏิติประต่ะตอตมีตรงนั้นนิดมีตรงนี้หน่อยแล้วก็หามาว่าอะไรบังควรจะอยู่ก่อนอยู่หลังแล้วเรานํามาเรียงใหม่ไอ้ที่เราเรียนใน ปัจจุบานนี้สบายนะแต่กว่าคนที่เขาเอามาเรียงก็เอามาจากหนังสือตั้งหลายสิบเล่มเอามาช น, ชนชนกันเพื่อให้เป็นเรื่องเป็นราวเล่าไปเพราะว่ า, าพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่นักโฆษณาชวนเชื่อ <c ười> คือๆๆคือไม่เดียวๆคุยไว้ชันเป็นลูกกับสัตว์นะนี่ลูกพระเจ้าถว ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทนานันานี่อะไรตระหนี่ไม่มีกิเลสเป็นเหตุคุยอ่ะก็เลยก็ก็ไม่ได้คุยอนอกจากว่าใครถามตรงไหนรับสั่งเล่าตรงนั้นมันก็เรื่องเลยก็ไม่ต่อต่อมันก็ต้องหาเอา ไปคนมาจากที่ต่างๆในวินัยวิฎกหมั่งในวิธรรมหมั่งในวิสูตรในอัตถกถาอะไรอะไรเนี่ยเอามาต่อกันเพราะฉะั้นกว่าจะเสร็จแต่ละเรื่องนี่มันก็ยาวนะฮะต้องหาหนังสือกันหลายเล่มบางทีก็มีเฉพาะคาถาอยู่สองมัทัศน์นั่นเองนะมันก็ลอกไว้ก่อนมันก็ทําวิทยานิพน์นะฮะคือเราลอกไว้ก่อนเก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วเอามาเรียงไว้ทีหลังมาดูว่าอะไรควรจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ก็พอจะรู้เพราะฉะนั้นเทราคาถาก็มีแค่นี้ แต่ทีนี้ประเด็นนั้นมันก็มีประเด็นที่น่าศึกษามากนะว่าพระเทระองค์นี้ต่อมานี่มันก็คืออะไรพระบัวเข็มก็คือพระบัวเข็มของพมา่านะครพระบัวเข็มที่ ท, ที่อะไรพระขอฝนของเราฮะของเราก็พระอะไรล่ะพระที่เขาทาพิธีพืชช่งมงคนนะฮะพิธีขอฝนอะไรเขาเนี่ยก็เขาใช้ในวิธีการต่างๆ ประเด็น ท, ที่น่าศึกษาก็คือว่าโลกทัศน์ของคนที่มีบา ร, รมีนะฮะคนที่เป็นพระหันที่มีบา ร, รมีนี่คือสรุปว่าท่านมีบา ร, รมีอะคือมองเรื่องเดียวกันนะนั้นถ้ามานบมองทรัพสมบัติที่มาโหรานนะฮนะถ้าคนธรมธรมดาธรรมดาแหมวันนี้จะเที่ยวให้รอบโลกเลยเงินยะในระดับมรดกเยอะคิดจะเที่ยวให้รอบโลกหรือจะคิดจะเที่ยวยังไงนะยังพวกคาถาเปรต แต่ท่านเห็นว่าพวกนี้ก็รับทรัพย์ประดกเหมือนกันแต่มันคิดอีกแบบต่างทุษนะน่าโสโ ท, ที่เล่าให้ฟังวันก่อนนะก็รับประดก แ, แนวเดียวกันนะแต่ว่าท่านสุภูติไม่ใช่ธนันทาดาบดลนะธนันทามานพเนี่ยท่านมองเหมือนกับสุเมธมานพมองเพราะฉะ น, นเรื่องมันเหมือนกันเลยสมบัติรับพวกช่วงมาตั้งเก็กกี่ชั่วคนไม่รู้แล้วท่านก็มามองเหมือนกันเลยเฮ้ยทรัพย์สมวัตเนี่ยปู่ย่าตายายเรานี่ไม่ฉลาดเลย สะสมทัมบัติทํางานทําการเหนื่อยยากลําบากแทบตายแล้วหมรุตายก็ทิ้งเอาไว้ตัวเองก็ไปลําพังตัวเองเราไม่เอาเอาไปด้วยเลยก็ด้วยวิธีบำเพ็ญกุศลแล้วท่านทั้งหลายมองไอ้โลกธาตุแนวนี้สำหรับคนบารมีแตมีบารมีตั้งแต่เองมองได้พระพุทธเจ้ามองอย่างนี้นะพุทธเจ้ามองอย่างนี้เอาสมัยพุทธกาลนะฮะพระพุทธเจ้ามองอย่างนี้ภาษาดิบุตรมองอย่างนี้พระโมคคัลลานะมองอย่างนี้พระมหากัตตปะมองอย่างนี้ตันรัฐบาลนะยอมตายเลย ทิ้งสมบัติยอมตายเลยแม่ไม่ยอมให้บวชก็ยอมตายเลยไม่กินข้าวเลยให้จะให้สืบต่อสมบัติไม่เอาพระนางธรรมทินนาที่ล่าให้ฟังฮะวิสาขาเอาเอคือว่าเออุบาสกมามอบสมบัติทั้งหมดให้ท่านบอกเอ้ยรับสมบัติของพี่เหมือนน้ำลายจะทมให้ฉันเอาปากกรับจะไม่เอาเอาหัวรับเหรอแกบอกจะให้ฉันเอาหัวรับน้ำลายใช่ไหมเอาถ้าจะให้ก็ให้ฉันบวชก็ไล้กันมันพูด ก, กับคนละภาษานะ เพื่อคนละภาษาคนมีบา ร, รมีพูดกับคนไม่มีบารมีพูดเป็นเพื่คนละภาษาซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นได้ทังความจริงประการหนึ่งว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงสิ่งที่เราให้นั้นคือของของเราสิ่งที่เราได้นั้นคือไม่ใช่ของเราแปลกนะฮะหมายความว่าสิ่งที่เราให้ไปนั้นคือของเราที่แท้จริงแต่สิ่งที่เราถือครองมาเป็นของเราของเราทั้งหมดทั้งบ้านเรือนลูกลูกบุตสามีภัญญาอะไรต่างๆมันกลับไม่ใช่ของเรา สิ่งที่เราเห็นเราสัมผัสเราใช้สอยกลายเป็นไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เราให้ไปนั้นกลายเป็นของเรานึกออกปะหมายความสิ่งนี้คือบุญที่จะติดตามเราไปเหมือนเงาติดตามเราไปแต่ทรัพย์สมบัติที่เราใช้รถเรือบ้านช่องที่เราใช้เนี่ยพอเราตายเราก็จริงก็เป็นสมบัติของคนรุ่นหลงังเขาจะแย่งกันหรือไม่แย่งก็ไม่รู้บางงานก็แย่งกันอุตลุดจนเลิกกบกันเลยพี่กับน้องเป็นเรื่องแปลกแต่จริงสิ่งที่เราให้กลับเป็นของเราสิ่งที่เราได้กลับไม่ใช่ของเรา นี้เป็นสูตรเลยนะฮะลองสังเกตเวลาให้ทาเนี่ยฉายาวะอนุบายินีอุปปุญญัจะปาปัญจะยังมจอกุเทยทะบุญและบาปทั้งสองประการนี้นะฮะบุญและบาปทั้งสองประการนี้ที่สัตว์จะต้องตายได้ก็ทำเอาไว้บุญและบาปนั้นจะเป็นของของบุคคล น, นั้นแท้บุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคล น, นั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคล น, นั้นไปชนนัท น, นี่คือชีวิตทีนี้ถ้าเราเข้าใจในประเด็นนี้ได้นะ เราไม่ต้องเอาถึงท่านนั้นท่ดาบสครับเดี๋ยวจะไม่มีใครทํางานอยู่ข้างนอกชวนกันบวชหมดไม่มีใครตักบาทอีกก็ยุง่ง เ, เอาเฉพาะตรงนั้นแหละคือหมายความว่าทํำยังไงให้สิ่งเราเนี้ยเป็นของเราด้วยเป็นของเราที่เราใช้ในโลกหน้าด้วยแล้วก็ใช้ในโลกนี้ด้วยแล้วก็เสริมสร้างเป็นรูปบา ร, รมีขึ้นก็คือนั่นก็คือแนวความคิดของบัณฑิตทั้งหลายราวัดก็ด้วยความรู้สึกสามัญชนวัดไม่ออกมา น, นึกไม่ออกอ่ะสามัญชนเขาไม่เห็นด้วย แต่เร า, อ ย, าอย่าลืมวันนี้สายตาของคนระดับมีบา ร, รมีท่านมองเหมือนกันหมดเลยมองจุดเดียวกันนะท้าบสมบัติไม่ว่าใครก็ตามย่าะะจะกวนราบุชราวุ่นวายหนอขัดข้องหนอลูกมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมายสมบูรณ์ทุกอย่างวุ่นวายหนอขัดข้องหนอเดินบวชอะไทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดพวกพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าในสุตตนิบาตนะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับบอกเลยพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าในส่ตรมากจะเป็นมหาพรามาหาเศรษฐีมหาราชา พวกมหาทั้งหลายนี่ไม่ไม่ต้องพูดมหาสมบัตินะฮะแต่ไม่ใช่มหาพระนะมหาพระไม่ค่อยรวยก็พวกมหาราชามหาเศรษฐีมหาพระพระมหาสารนี่ร่ำรวยมหลาล้านแต่ท่านมองเหมือนกันหมดเลยท่านมองเหมือนกันหมดมองทรัพย์สมบัติเป็นลูกตุ้มถ่วงนะเป็นลูกตุ้มถ่วงที่ที่ที่ที่จะดึงฉุดกระชาติท่านไว้ไม่ให้ท่านไปไหนได้การท่านต้องชิ้งได้ แต่นี้คนบารมีสูงมองนะฮะแต่คนบารมีไม่สูงขอมองไม่ออกฮะอย่าทำบุญเอสิบาทก็ดึงเข้าดึงออกแล้วเลิกทำเลยมันมันมันมองไม่ออกเป็นของเราของเราเลยเลยเอ่อทีนี้ในการออกบวชพิธีตรงนี้เหมือนเพี้ยเลยนะฮะเหมือนกันเกือบจะทุกตัวแต่อะไรตัวเลขอะไรมันต่างกันนะเหมือนของภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะ ตอนที่ท่านออกบวชแล้วก็มีลูกสิธิ์ลูกขามากแล้วก็พบพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแต่พระษารีบุตรท่านเป็นพระหมหาสาวกนะฮะตั้งบารมีานก่อนนั้นพระอักสาวกบำเพ็ญบา ร, รมีสูงกว่าพระสาวกทั่วทไปใช้เวลามากกว่าเป็นความเป็นธรรมนะฮะว่ากันตามความจริงเป็นความเป็นธรรมทุกจุดเลยแต่เราไม่ยอมรับกฎล่านี้ คือเราจะเห็นว่าอย่างอย่างว่าคนบางคนก็ทํางานกันพ่อแม่เขาทางานเขาทางานก็มีความมาันกะยันตัน้งใจศึกษาแล้วก็ร่ารวยมีฐานะดีแล้วเราไปรทษยาเขาแล้วเราก็นอนทอดหุยแล้วก็เที่ยวเล่นการบัรนานไปขับรถซิ่งกันอะไรอะไรเนี่ยอนะแล้วผลเมือ่อไถ่ไปไปรอดแล้วไปริษยาคนหนึ่งที่จริงมันเป็นสัดส่วนที่เป็นธรรมอ่ะเป็นสัดส่วนที่เป็นธรม ร, รมบารมีก็เหมือนกันมันเป็นธรรมของท่านน่ะท่านใช้ความเพลี่ยนมากกว่าใช้เวลามากกว่าทํางานมากกว่าท่านก็ได้มากกว่ามันสู่ตายตัว ตัวแต่ตัวแต่โลกเราไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ให้เราตั้งใจว่าเราไม่ยอมรับความเป็นธรรมเลยคนก็ทํามาหากินพ่อเขาทนทุกข์ทรมาณจะตายพอลูกมันได้ดีเอาไปดิษยาครับก็อพอเราไปแอบเมาล่าไปขี้ครัเนเนี่ยไปขี้เจอขี้เกียจอยู่นี้จะทําไงเราก็เกิดขี้เกียจเรียนพ่อด้วยเรียนพ่อโดยก็เลยไปกันใหญ่แอบเงลากกันเข้ารถเข้าผม นี่คือสูตรเราจะเห็นว่าระดับมรรคผลนิพพานนี่เห็นได้ชัดมากเลยว่าคนทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ทําไม่ได้ก็เป็นทะี่วางไงนะทุกขั้นตอนแหละก็เป็นเรื่องที่ช่วยกันไม่ได้ท่านดาบทเหล่านี้ท่านจะทั้งหลายจะเพราะว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมนามปทุมุตระนั้นไม่ได้มาเพื่อดันท่ามานพโดยตรงนะฮะแต่ว่ามาเพื่อลุกสิษย์อันท่ามานพจะมาช่วยให้แต่นั้นเองเพราะท่านรู้ว่า มันทามานุเนี่ยแต่ถ้าจริงถ้าท่านไม่เกิดหักจิตออกนะหักจิตออกจากธรรมะคือไปอยากได้ไปอยากได้ก็คล้ายๆกับ ค, ค, คนอย่างเงี้ยเฉียบแหลนยังไงไปไม่รอดอะอย่างขณะภาษาริบุตรประโมกกลานะเห็นนะฮะท่านฟังเทศเราวได้กพาท่านอยากรู้จังเลยอยากรู้จังปอพระพ อ, อาตชีพูดสองคาถานั่นเองบรรลุโสดาเลย แตพอมาฟังเทศพระพุทธเจ้าโอ้โหทั้งเสียดายมากเสียดายเนี่เราไปเจอหลงทางกันตั้งนานเนี่มันน่าจะมาพบพระพุทธเจ้านานแล้วมันไปร้อยจริงจะมันคิดเรื่องอื่นอีกคิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดตามเทวเจ้าเทศอ่ะไอ้คิดเรื่องอื่นนะลูกศิษย์บรรลุมรรคผลหมดเลยท่านได้แค่เดิมได้เท่าเดิมอัจฉริยะขนาดนี้นะไปไม่ได้เพราะคุมจิตไม่อยู่เลยมันไปเรื่องอื่น ภาษาไดบุตรอีก เ, เาาออกวันอภิชาตพระโมกขลาณะอีกเจวันบรรลุพระโมเอพระสารดบุตรอีกสิวันหนึ่งวันลูกสิทธ์เป็นพระหานหมดแล้วเห็นไหมฮอัจฉริยะนั้นถ้ามนานพท่านก็อัจฉริยะแต่เพราะอัจฉริยะเกิดไปใช้ผิดจังหวะแทนที่ตอนนี้จิตจะสงบจักระฟังธรรมไม่ต้องคิดออมมากอะไรเลยไม่ไม่ไม่เอาเลยท่านประทับใจอไอป้ปลุกกระลึกระนึกดูมันมันเด่นสง่าขนาดไหนพระอระหันต์เป็นหมื่นหมืน พระพุทธเจ้าประทับเป็นประธานดาบทอีกก็เป็นหมื่นแล้วมีพระองค์หนึ่งโดดเด่นขึ้นมาสแสดงคาถาอมันสง่ามันหยอกอะไรนะท่านก็เลยอยากได้อย่างนั้นเนี่ยอยากได้อย่างนั้นก็แทนที่จะคิดฟังธรรมะไตรจงธรรมเพราะการฟังธรรมอย่างที่บอกแล้วว่ามันสูตรในการฟังธรรมเนี่ยคือคือพระพุทธเจ้าพ ร, พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยธรรมะมันกรดเร็วเพราะมันแสดงเร็ว แสดงเร็วถ้าการฟังเราไม่เคลื่อนไหวตามเกาะติดธรรมะอย่างที่ทรงใชก้กำว่เข้าไปนั่งใกลนะ้ฟังธรรมเงียหูลงฟังขณะฟังก็กําหนดข้อความพิจารณาข้อความแสดงมาจิตต้องแนบเลยต้องแนบเลยไม่งั้นแนบก็เอาไม่ทันไม่แนบก็ฟังไม่ทันบางทีอาจมาพูดโยมฟั ง, ฟงมก า, า, า, ากิดทันเลยยอนเร็วกว่าพุธจ้ามันก่อนไปอบรมผู้นักเผยแผ่ที่พุทธมนฑนผู้เสร็จ พระเขามาหาบอกแม่นี่อาจารย์บอกพระพุทธเจ้าพูดเร็วต้องแปดเท่าของพระานนท์นี่แต่อาจารย์พูดเองผมยังฟังไม่ค่อยตันเลย่ฟังพระานนท์ตันยังไงไม่ต้องพูดพระพุทธเจ้าคือมันมันมันเร็วเร็วเนี่ยก็เร็วจิตเราต้องเร็วเลยจิตเราต้องเร็วมากแล้วก็แนบแน่นมากแล้วหักแป๊บเดียวออกนอกทางเนี่ยนั้นนันถ้ามานุษย์ท่านจึกนั้นถ้าดาทดัชนจึงไปไม่ได้เพราะท่านต้องการอีกอย่างหนึ่ง ทีนี้ถ้าเรามองธรรมะให้ดังโปรดสังเกตนี่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจไว้นะครับบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เดียวนี้เดี๋ยวนี้เราเกิดสับสนเราไม่เข้าใจน ะ, ะว่ากันตามความจริงที่เรานึกว่าเราเข้าเข้าใจเนี่ยหลักสูตรหมายม .4 ม .5 ม .6 ม .4 เราให้เรียนพุทธเจ้าม .5 ร้อยเรียนพระธรรมม .6 ร้เรียนพระสงฆ์แล้วคนก็ท้วงติงกันทําไมไปแยกเรียนอย่างนั้นทำไมไม่เรียนรวมกันนั่นคือแสดงว่าไม่เข้าใจม .4 น่ะเด็กมันอ่อน เด็กอายุเป็นอย่างน้อยเราให้เรียนธรรมะจากรูปธรรมการเคลื่อนไหวของพุทธเจ้าออกมาแล้วเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ธรรมะที่ออกมาแล้วเป็นรูปธรรมแล้วมีตัวอย่างมีบุคคลให้เสร็จพอม .5 นั้นชักยานามธรรมานามธรรมาธรรมะที่ดึงจากรูปธรรมนะเข้าไปหานามธรรมาอีกทีหนึ่งทีนี้พอม .6 เราจะให้เก่ปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าคนบ้านเรานี่แหละคนไทยหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายนี่แหละ ก็ไม่ไม่ได้ไอ้หน้าดำดำอย่างเมืองไทยนี่แหละไม่ไ ม, ไม่ต้องไปห่วงมากหรอกปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ไดออกมารูปธรรมเพราะงั้นเธอก็ต้องปฏิบัติได้จากรูปธรรมเข้าช่วงต่อไปเป็นนามธรรมแล้วก็กลับเป็นรูปธรรมเพื่อสู่รูปธรรมอีกทีหนึง่งเกือไปสู่ภาพปฏิบัติอีกทีหนึ่งที่จริ ง, รงก็ดีนะแต่ทีนี้คนเราเวลาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึง่งจะมาคิดขึ้นได้เลยคิดขึ้นได้จากสูตรของพระพุทธเจ้านะจากสูตรจากสูตรมะม่วงนะ จะแบ่งคนไว้เป็นสี่ประเภทคือพวกพวกหนึ่งไม่รู้ไม่ชี้ดีแล้วไม่รู้ไม่ชี้น่ดีแล้วว่าไงพวกที่สองในไม่รู้แต่ชี้นี่ยุ่งที่สุดเลยทั้งวัดทั้งบ้านน่ะยุ่งที่สุดเลยไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยชี้แล้วแล้วพวกที่สพวกที่สานั้นคือรู้แต่ไม่ยอมชี้นะฮะเพราะกลัวจะเสียผลประโยชน์เพราะกลัวจะเหน็ดเหนื่อยเพราะกลัวจะลําบากฮะต้องการสบายสบายก็ไม่ยอมชี้อะไรเลยพวกที่สี่ก็รู้ด้วยแล้วก็ชี้ด้วย แล้วพระตถาคตนั้นทรงรู้แล้วก็ชี้นะฮะตอนตอนตอนตอนต้นๆตอนที่เป็นราชกุมารพระองค์ก็รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะชี้ก็ไม่ชี้ชี้เมื่อตรัสรู้นี่คือสูตรเหมือนกันนะจริงๆก็สูตรเหมือนกันเออถ้าเราถ้าเราถ้าเราปฏิบัติทำสมควรแก่ทําได้ไหมายความไม่รู้ไม่ชีก้ก็ดีแล้วนะไม่รู้ไม่ชีก้ก็ดีแล้วถ้ารู้ก็ได้ชี้ด้วยก็กลายเป็นคนสองกลุ่มเป็นคนสองกลุ่มไม่ต้องแยกเป็น4ี่หรอก แต่ทีนี้ที่ที่มันเกิดเป็นสีเพราะคนไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ปฏิบัติตามธรรมตัวไม่รู้แล้วไปชี้คล้ายๆจะรู้คล้ายๆจะรู้เลยมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะคนไม่ปฏิบัติตามธรรมอีกคนหนึ่งรู้มันควรจะชี้ไม่ยอมชี้เลยพวกนี้แยกตัวเองออกมาอีกกลุ่มหนึ่งระหว่างคนรู้ด้วยกันในกลุ่มหนึ่งชี้กลุ่มหนึ่งไม่ชี้ก็กลายเป็นสองพวกที่จริงค น, นควรจะมีสองพวกเท่านั้นเอง นะคือคนดีกับคนชั่วมันสูตรของกุศลนกุศลแต่มันแจกออกไปเพราะคนไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่กทำทีนี้ประการต่อไปก็คือผลสืบเนื่องทีนี้ท่านท่านมองอีกว่าพุทธานุภาพนึกออกเรื่องออสุนัขโกท่านโกโกตุฮาลิกโกตุฮาลิกที่เรื่องของกุมไม่ได้เรื่องโคศกเศ ร, รษฐีเรื่องนางสามารวดีที่ล่ามันนานแล้วฮะ เทพมันขึ้นไปตั้งสองร้อยกับม้วนไอร้อยกับม้วนหนักมันม้ว น, น, น, นที่ใดไม่รู้ <c oughs> คือตอนพระปัิเจกพระพุทธเจ้าท่านเลื่อนลอยไปสู่ภูเขาขันธมาศนี่ไอสุนักมันมันมองด้วยความรักความเคารพนั่ถือพระเจ้าพระพุทธเจ้ารับท่านดัำสุนักตายเกิดในสุกติจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุกติอยู่ในสูตรหมดเลยอยู่ในสูตร เ, เพราะงาั้นนันทดาบทพอส่งสเสด็จพระพุทธเจ้าพระอรหานต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมองมองด้วยความ เพิมปีตินะศรัทธาเลื่อมใสในปุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าในปานเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ศรัทธานี่เพราะงั้นจากวันนั้นเลยท่านก็เจริญพุทธานติพุทธานติก็ฝังอยู่ภายในจิตสันดานของท่านเกิดภบชาติไหนมีพระพุทธเจ้าหรือไม่พระพุทธเจ้าในใจท่านนี้ในใจท่านมีใจคนอื่นไม่มีเปนเรื่องของเขานะฮะใจท่านนีเพราะที่จริงอย่างที่หมหา ย, ยานก็บอกว่าธาตุพุทธะเราเนี่ยมีด้วยกันธาตุพุทธะคือาธาตุรู้นี่ แต่บางคนไม่ได้เอามาใช้หรือบางคนไปเจริญเติบโตในที่ที่มีโคลนตม ม, มันก็ถูกทับถมหมดเลยถลารู้เลยอยู่ลึกลิบเลยพวกลึกมันก็มีสองพวกนะฮะคือว่าลึกซึ้งกับกับลึกลับเลยลึกลับลับหายไปเลยมันูเรื่องเลยพวกลึกลับนี่แย่หน่อยพวกลึกซึ้งก็ยังชั่วจากจุดนี้เองทำให้ความฝ่ายดีนี่เกิดขึ้นอยู่ในจิตสันาน นะท่านเกิดจากนั้นก็เกิดในพรหมโลกพรหมโลกบำเพ็ญฌานต่อก็อยู่ในพรหมโลกพอฌานเสื่อมก็จุติแต่ว่าจุติมันตกไม่สูงอะ่ะเพราะว่าบุญเยอะก็จุติลงมาก็เกิดเป็นท้าสากัดเทวราชอนะพอไหนที่สุดไอ้ท้าสกัดเทวราชมีกรมาอาฆุณแยะคนเราดีๆมันเสียเด็กอีตอนเนี้ยเด็กอีตอนไปเพลิงๆในการมาอาฆุณเนี้ยเพราะงั้นไอ้พรหมโลกมันไม่มีเทพธิดาอะไรก็ไม่ค่อยบุ่นวายอะไร มาถึงไงดาวปรดึงเนี่ยเทวดาแย่เลยก็อยู่ในแวดวงกามคุณเทวดามันก็หมกมุ่นกามคุณฌานเสื่อมไาแล้วฌนะานเสื่อมไปแล้วก็ยังเหลือแต่สักขะคือสวรรค์แต่ว่าทานใจของท่านนั้นยังอยู่ด้วยพุท ธ, ธานุติเพราะ ง, งั้นชั้นเปลี่ยนแปลงยังไงลงมาโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นเป็นราชาสุดยอดคนนะฮะเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็ยอดเทวดาดเป็นพรหมก็ยอดพรหมด้วยอาศัยตัวพุท ธ, ธานตุติเป็นตัวลอ่อเลี้ยงตลอด พุทธานุติจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นหัวขอกใหญ่ที่จะเปิดคลังพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเพทถ้าเราไม่เชื่อเราจะเห็นว่าศรัทธาเราก็ต้องเริ่มที่ตถาคตโพ ธ, ธิสถานคือเชื่อการแต่จะรู้ของพระพุทธเจ้าต้เดินตรงนี้ไม่ได้เลิกพูดแลยังยังคนอย่างเนี่ยมันก็สารแน่คิดเรื่องนี้ดีไม่คิดไปคิดเรื่อง ไ, ไม่เป็นเรื่องไอ้ไปตั้งปัญหา เ, เรื่องพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้ 7, เรื่องระบาดได้7จ็ดเก้านี่ถามจริงถามท ำ, ทำไม มันไม่เกี่ยวอะไรเดินไม่เดินเราไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเราก็ไม่จิตใจอะไรแล้วยกให้พระพุทธเจ้าสักองค์ไม่ได้เถอะเนอะก็ท่านเป็นอัจฉริ ย, ายามนุษย์มันก็ผิดมนุษย์อยู่แล้วให้ท่านผิดอีกผิดมนุษย์อีกเรื่องเรื่องเดียวไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ประเด็น่ปัญหาทํากันไม่ใช่ประเด็นของความเป็นพระพุทธเจ้าอะไรท่านเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อประชนมายุสิบปีนะแล้วท่านเทศสอนในปีประชนมายุสามสิบปีท่านเดินได้โดยประบาด เดินด้วยประบาดได้เจ็ดเก้านั้นเจ็ดเก้าเท่านั้นนะฮะนี่คนบางคนยังไม่เข้าใจว่าเดินได้ทันทีก็เพรเดินได้เจ็ดเก้าเท่านั้นเองต่อมาก็คือเด็กอยู่ในเบาะนี่เองมันเป็นบุพภณิมิตะคนสมัยนั้นเขาเห็นกัน่ะเราไม่ได้นั่งดูก็นี่นะเบเตอร์เบตค้างได้ทำไมคนที่เขาเห็นเขาพูดเขาเห็นอย่างนั้นนี่นะคือนี่หาเรื่องวุ่นวายไหเข้าเรื่องแล้วก็หยุดตัวเนี้ยหยุดตัวเนี้ยไม่ยอมไปไม่เป็นไปไม่ได้เราไม่เชื่อเลยเลยไม่เดินหน้าต่อเดินไม่ไม่เดินหน้าต่อเหมือนกับมะพร้าวเนี่ยถ้าเรา เอ้นี่เปลือกท่านั้นไงนทุเรียนน้ําแล้มจะตายกินไงก็อยากกินมันเดีก็เลยก็เลยไม่ต้องปอกเขาไม่ให้กินทุเรียนข้างเปลือกข้างนอกมึงกินข้างในอ่ะเปติเดือที่น้ากันแล้วไปเลยก็เลิกก็เลยไม่ต้องกินไงมะพร้าวมีเปลือกคุ้มอยู่อ่ะอันนี้มันก็เปลือกเฉยๆนะทําไมเราไม่เข้าไปแล้วไม่ไม่จะประเด็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าเพราะเดินด้วยประบาทได้เจ้าหรือไม่ 79. เจเ้าป็นพระพุทธเจ้าพราะหมดหม ด, หมดกิเลสนะมันมีปัญญาขึ้นตรงกระซแล้วก็หมดกิเลสมันก็ทอนนั้นี่ย แต่มาเองนั้นามาไม่ยอมอธิบายอย่างอื่นอธิบายอย่างเนี้มาเชื่อเข้ามามาเชื่ อ, อ, อว่าพระเจ้าเดินได้จริงนะเดินได้เป็นบุพนิมิตเป็นบุญญาธิการก็เรียกกรีฑาพินิหารมันแสดงให้เห็นแต่นั้นเองเหมือนแสดงแก่พระนารายณ์เหมือนแสดงแก่พระเจ้าตากศีลเหมือนแสดงแก่ในหลวงเราหรือเหมือนแสดงนนเนี่ยอย่างเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเช้าเนี่ยคุณหญิงละมุนท่านท่านปลื้มปีติท่านอ่ะท่านมาหาดีโกติท่านบอกว่าท่าน ทานกำ บ, บางเตรียมจะทําบุญจะตั้งมูลนิธิให้ที่วัดวอในแปดล้านเพราะท่านท่านท่านให้ผมว่าทําไมท่านท่านยังทำบุญมากคือตอนท่านฉลองเจดีนะอากาศใสๆอย่างนี้ยพอในหลวงเริ่มชักลูกแก้วขึ้นนะอากาศมันมืดเลยนะเป็นเป็นฝนเป็นละองฝนมาะองฝนมืดเลยพระราชินีต้งแกลกแบงนี้เลยนะึกว่าเป็นหมอกเป็นหมอกเป็นเป็นมันมันคล้ายๆเกษตรวดาหลังไน้นําทิพตรงมานะ มันไม่ใช่ฝนจะเป็นละอองอ่อนเลยมืดเลยมืดเลยพอลูกแก้วขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นพอลูกแก้วขึ้นสุดยอดหมดเนี่พอพอน้อแกเห็นวันนั้นแล้วทําบุญอุทลุตแล้วเทวดารับรู้เทวดารับรู้นี่เป็นเรื่องที่ไปจากแก่ใจของเขาว่าเราจะไปวุ่นเขาอะเราไม่เห็นเราไม่เคยทําำเราไม่ได้เสียสละอย่างนั้นก็ทําได้อย่างนั้นก็เห็นผลอย่างนั้นเพราะงั้เขาเดินไปบนเส้นทางของเขาเรียบร้อย เรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะฮะเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมที่จะเป็นมันก็เป็นได้พระพุทธเจ้าท่านส้างบา ร, รมีมาขนาดนั้นไม่จะปัญหาอะไรทีนี้ถ้าเราจับตรงนี้พุทธานติมันก็ทําได้หลายอย่างสาธยายเฉยๆสาธยายอย่างที่เราสาธยายเนี่ยก็เป็นคูณานีสง์มากมายเพราะมันการคลอกจิตสันดานอย่างน้อยที่สุดก็ให้สงบด้วยพุทธคุณอย่างที่สองก็คือการบริกรมรมภาวนาอย่างที่ทำในพระพุทธรัตอะไร อย่างที่สาก็คือนํามาคิดนํามาคิดแล้วก็พยายามเดินตามพระองค์ตรงเป็นพวกไกลาจากกิเลสเราก็พยายามไกลไปเรื่อยๆนะฮะอย่าไปเข้าครุกกับกิเลส ก, กันนะกันไกลไปห่างๆหน่อยยุ่งกับเปลาแล้วก็ทำใจสะอาดขึ้นพระพุทธเจ้ามีใจสะอาดจากกิเลสเราก็พยายามสะอาดขึ้นน ะ, ะอายุมากขึ้นอย่าไปยิ้ตลิสยายให้มากอย่าขี้โมโหให้มากอย่าด่าเด็กให้มากเมื่อยปากกัเาเปล่านั่งอะไรมัน อยากจะเมื่อยปากก็หมากมาเคี้ยวเด็ก็ได้ฝรัง่งไงะไรหมากฝรั่งมาเคี้ยวเด็ก็ได้มานั่งบนกับลูกหลานนั่นทำใเจเวลาแล้วใจมันขุ่นมัวเศ้าหมองจะแต่ตายเอาใจเศ้าหมองไปด้วยไปเช่เดียวเต็มที่จะได้ขึ้นสวรรค์นะเพื่อนหน่อยก็ไปแขวนต่องแต่งอย่านี้นะโรคระบาดกันนี่คือความความคําคิดพื้นเพื่อนนี่ยคว า, ค, ว า, ค, วาคิดพืน้นเพื่อ น, น, นคือเราเราเ อ, อายุเราน้อยลงเนี่ยมันธรรมะมันต้องเพิ่มขึ้นอายุน้อยลงเพราะชีวิตเราใกล้ตายมากขึ้นเพราะงั้นธรรมะมันต้องเพิ่มขึ้น เพื่ออะไรเพื่อเตรียมสเบียงที่จะเดินทางไกลแล้วทีนี้หาโรงแรมใหญ่หน่อยนะพักๆกันไปโรงแรม เ, เล็กๆกัไม่ไหวนี่ก็เตรียมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของความสำนึกเฉยๆนะเป็นความสำนึกธรรมดาธรรมดาเพราะนั้นเราเราคิดไปเรื่อย เ, เราก็พยายามทำไปเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านไกลกิเลสเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามัต้องไกลกิเลสหน่อยนะไม่ใช่อะไรนิดๆหน่อยๆก็บน่นอะไรนิดๆก็ดา่าอะไรนิดๆก็กลุ่มอะไรนิดๆก็ริษ <laughs> ยาเขา บางทีไม่มีอะไรนะฮะเด็กมันจะแต่งงานกันเอาไปริษยามมันเรื่องอะไรปล่อยมันเรื่องของเด็กไม่เรื่องเกี่ยวอะไรกั้งเราคือบางทีเราไปหึงแทนเ้านะลูกไปแต่งงานคนนั้นจะไม่ชอบก็ไม่ได้แต่งงานกับเรานี่นะแต่งงานกับลูกอ่ะเกี่ยวอะไรกับเราอลูกเขาชอบของเขานี่นะปล่อยเขาอะคือมันมัก็หาเรื่องอะเรื่องไม่เป็นเรื่องมันเด็กกลยวินิจัยเอาแล้วอะแกครอบพอแกก็รักใครแกก็ไปงั้นแกเราก็ไม่ต้องไปวุ่น ใจมงนสงบได้เยอะนะมันก็ห่างกิเลสไปนี่ก็ข้าวสัมผัสพระพุทธคุณตลอดระยะเวลาใจเราสบายขึ้นเยอะทีนี่ไอ้จากเนี่ยท่านเล่าในอภิธานท่านเล่าเองนะฮะนี่ท่านเล่าเป็นเป็นทอยคําที่ท่านเล่าเองเพราะพระอาหันไม่ต้องห่วงท่านอ่ะท่านระลึกได้ว่าท่านท่านมาอยู่ตรงนี้ทําอะไรแต่ว่าท่านลองมองว่าทําไมที่ตอนเนี้ยตอนท่านบวชอันนี้ก็เรื่องธรรมดานะเพราะว่า การฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าฉลองพระเชตตวันมหาวิหารในส่วนเรื่องบางบางตอนเราก็เคยพูดกันแล้วในเรื่องอนาตวินิกะเศรษฐีนะครับมฟังเทศแล้วใกล้ๆกันก็เรียกปัจฉิมบวิการสัตว์ฝีกรัดหนองเต็มที่แต่นิดเดียวฮะหนองก็ทะลักแล้วเพราะฉั้นบารมีที่มันอั้นอยู่เต็มที่นรราา เ, ทนนเนี่ยพอทำมาเข้าเจาะเท่านั้นเองบารมีกระเบิดเปี่ยนแ่างขึ้นมาก็บรรลุมากผลไปเลย เป็นคนเด่นนะฮะเป็นคนเด่นคนมีชื่อเสียงน้องชายมหาเศรษฐีใหญ่เอาบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์มันก็ก็ไม่ใช่คนธรรมดานะมาที่กรุงราชเ จ, จ้ามามีประเด็นหนึ่งที่หน้าที่น่าสังเกตไว้นะฮะอย่างที่บอกอยู่เสมอว่าสตินั้นไม่มีใครสมบูรณ์นอกจากพระอาหารหันต์พระโสดาบันขนาดพระเจ้าปัสสิพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเอามาพบท่านลืมมโหรานสองครั้งกันนี่ในวิ น, นวัยบิโดกิวเรื่องแห่งเนะี่ย ไปพะพระพิลินดวัชชะพระพิรินดวัชะะวชะนั้นตอนนั้นพระเจ้าอนุญาตกุฏิแล้วก็ขอให้พระเจ้าพิมิสารช่วยช่วยช่วยวิยาวัจกรจัดการให้หน่อยมันรกอะ่ะมันเป็นป่านะไม่ได้จะทําไงพระเจ้าพิมิสารบอกไม่เป็นไรยมยมจะจัดการให้ขอข้าววางลืมเลย าวางลืมเลยพระโสดาบันนะพระโสดาบันลืมเลยเพรลืมเพง น, นึกออกเวลาผ่านไปห้านะร้อยวันสองปีเกือบเกือบสองปีเลยผ่านไม่ได้สร้างกุฏิให้เลยลืมหมาวาลมาเหมือนนะะลืมหมาวาลเหมือนกันแต่ท่านมาถึงท่านชดเชยให้เลยท่านสร้างกุฏิห้าร้อยหลังเลยสร้างกุฏิตะวันห้าร้อย500หลังเลยแล้วก็เอาคนไปรับชายระเถระให้ห้าร้อยคนชดชายความผิดของท่า น, ตนแต่พระมพระสุภุตินี่รู้สึกจะไม่มากนะ จะไม่กี่วันก็คงจะใกล้ฤดูฝนเพราะว่าพระเราเนี่ยในฤดูฝนจะต้องอยู่กุฏิที่มีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้นั่นคือวิไนด์อันนั้นชาวพุทธเราบางครั้งไปเห็นในพระเอ๋พวกแฟชั่นโชว์ทั้งหลายนะฮะพวกแฟชั่นโชว์พวกไอเหยียบมดไม่ตายอยียบลายขาหักทั้งหลายเนี่ยพอเห็นชาวบ้านมาแล้วก็เดินเดินสงบเ ง, บงบีบเนี่ยอย่างกะอย่างกะท่าไม่มีแรง พอโยมไปก็ไปนั่งเอกุติฝาขาดขาดมุงจากไม่มีฝาหน้าต่างเลยโยมสงสารนะโอยแม่ตำราคุณเจ้าสัง่งตรัทพาจริงๆริเลยเสียสละดจริงๆมีความเปี่ยนย่างนั้นผิดวินัยนะโกติอย่งงางนั้นอยู่ได้ที่ไหนเราเราไม่รู้อันนี้เป็ไปเชี้อไม่รู้เราไปชี้พระอยู่ที่อย่งงางนั้นไม่ได้พระนอนกลางวันต้องปิดประตูหน้าต่างนะฮะต้องปิดประตูจะนอนพักกลางวันต้องปิดประตูจะอยู่จำพรรษาต้องมีประตูหน้าต่างปิดได้หมด ไม่นอยู่ไม่ได้จะไปออกธุ ด, ดงอยู่ในป่าอะไรต่ออะไรได้เฉพาะแปเดือนนั้นฤ ด, ดูฝนไม่ได้ฤ ด, ดูฝนในปัญญานี่ไม่ได้เพื่อสุขภาพอย่างหนึ่งป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งนะฮะและบางครั้งบางคราวก็เพื่อป้องกรรันในยาบทที่ไม่เหมาะสมหลายเรื่องพระธูปติท่านก็คงจะ อ, อยู่ฤ ด, ดูฝนนะฮะดูข้าวเรื่องก็เป็นฤ ด, ดูฝน๋ยวท่านก็ไม่บอกหรอกท่านก็ เราดูฝนว่าฝนควรจะตกอะคล้ายๆกับบ้านเราพอวันข้าวพรรษาแล้วฝนว่าต้องตกก่อนข้าวพรรษาเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็ชักจะมีปัญหาแล้วมันผิดธรรมชาติแต่เพราะพระสุูฏิท่านต้องอยู่กลางแจ้งพระเจ้าปเสนเน่ยพระเจ้าพิมิสานรนอนนาไว้ก็เลยยังไม่สร้างบ้านเลยฝนไม่ตกทําไมฝนไม่ตกท่านเราตองมองกลับเลยทีนี้มองกลับสมัยเป็นนันทรรมานุยืนกั้นจัดยืนกั้นจัดถาวายพระพุทธเจ้าเจ็ดวัน ป้องกันฝนน้ำลมแดดน้ําค้างทั้งหลายเพราะงั้นท่านต้องได้คุ้มครองในเรื่องนี้บุญของท่านโดยเฉพาะนะท่านทำกับท่านมาอย่างงั้นท่านทํากับท่านมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญนั้นมาคุ้มครองแล้วพระเจ้าพิมิสารยังไม่สร้างกุติให้ผลก็ต้องไม่ตกก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าบุญญาธิการมันมันมั น, ม, นมีมาหาอนุภาพมากได้เกิดคุ้มครองท่านเหมือนกับที่ท่านคุ้มครองครับพระพุทธเจ้าทรงมรนามประตูมุดได้ เพราะงั้นไงะบุคคลทำความเช่นใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นตามความดีรับผลดีทําความชัว่วรับผลชั่วนะฮะนี่เรื่องกิริยาปฏิกิริยาความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลเข้าสูตรหมดเลยนี่คือธรรมะพระพุทธเจ้าให้เราทั้งเกเราเข้าสูตรหมดเราจะไม่แตะตรงไหนล่ะในประเด็นเดียวกันท่านแตะได้ทุกจุดเลยเหมือนกันหมดจะลงตัวกันเพีย้ยเพี้ยหมดเลยไม่ว่าอะไรแล้วเราจะเสริมศรัทธานในพุทธคุณได้สูงขึ้นนะ เทศมาสี่สบห้าปีนะฮะไม่มีชนกันเองเลยเทศมาสี่สิบ้าปีรเทศไม่รู้ได้กี่หมื่นครั้งอ่ะอย่างที่เคยเคยพูดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าดีนะตอนสมัยก่อนนะถ้าสมัยนี้พออัดเท็วีดีโอกันแล้วไม่มีห้องเก็บละเกิดตึกสวนี่เก็บไม่ได้มีที่เก็บเทศจังนะจะเน้นเทศคนทยอยมาไปที่ไหนทยอยมาเดินไปแวะคน4ี่คนหคนก็เทศคนเดียวก็เทศไปเรื่อยเลยเทศทั้งมันอ่ะแต่ดียวงี้ย ไอ้พุทธกิจที่เราว่า5อย่างพุทธกิจในภรษาพุทธกิจในภรษาที่ว่าตอนเยน็นโอวาทพิชซูทั้งหลายในภรษาพระพุทธเจ้าท่านเดินทางอยู่8เดือนเนี่ยเดินทางอยู่8เดือนที่มีอะไรคนก็บอกพระพุทธเจ้าทําไมมาไปประทับอยู่ที่ประเทศตะวันตั้ง25ปีนะไม่ใช่ยีปีที่จริงสิปีนะเปีพระเวรุวันไอ้พระบุพารามอยู่6ปีรวมแล้ว25ปีไอ้ยีปีมันก็ว่านับปีเฉยๆ แดเดือนพระเจ้าไม่ได้อยู่อะเที่ยวจาริกสั่งสอนประชาชนไปในสถานที่ต่างบพรานเทศอยู่เรื่อยเลยเดินไปหน่อยเอาคนวิ่งมาถามมาถามเทศแล้วเทศแล้วจะ ต, ตามอัดเทพมาหน่าดูนะไฟฟ้าคงลําบากหน่อยใช้แบตเตอรี่นี่นี่เราจะเห็นว่าธรรมะเหล่านี้ที่ที่ทงรงแสดงทั้งหมดเนี่ยไม่ชนกันเองอไม่ชนกันเองเลยเป็นความรู้ที่ไม่มิปริศต์จริงๆไม่ชนกันนะ แล้วไม่ว่าในระดับใดก็ตามจะเป็นจะสอดคล้องกันวิ่งหนุนกันอยู่ตลอดเลยนี่คือลักษณะเด็ดที่เราเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นรัตตรูลุถ้าลองไปพลิกคัมภีร์ไบเบิลในมาราโกกามัตทายในชนกันดุลตลุดแล้วไม่ต้องเอาไวปหลายๆเรื่องในมาราโกกามัตทายเนี่ยไอ้ลูกาโยฮันใชนกันดุลตลุดเลยไม่รู้ใครพระเจ้ากี่องค์ม่รู้โดนใจก็บอกพระเจ้าดนใจใเขียนแต่พระเจ้าอะไรไม่ได้หลับหลับตื่นตื่นเข้าใจดนใจไงเขียนชนกันเองอุลตลุดเลย ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยสงพูดกันพูดกันเรื่องเดียวกันนะในกรณีที่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ลงกันของพระพุทธเจ้าเรื่องเดียวกันแล้วก็ทุกขั้นตอนด้วยในกรณีของเหตุผลทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนั่นคือสูตรใหญ่ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเพราะงั้นทําไมองค์นี้จึงมีฉัตรมากัน้นทาไมจึงจึงฟ้ามันมากัน้นไม่ให้ฝนมาตกบุญญาโุภาพท่านท่านขยืนกันพระพุทธเจ้าอยู่ตั้ง7วันนะ่ะ ง, งั้นตอนนี้ก็มาให้ท่านแหละท่านก็กลายเป็นพระที่ออกแก่พิเศษพิเศษนะครับที่สามารถบรรดาลจนถึงที่จริงท่านไม่ทานะครท่านไม่ทําอย่าวา่าอย่าไปคิดเอพระอาหารย์ไปรังแกชาวบ้านไม่ใช่ะไม่ใช่มันบุญญาธิการพระอาหารย์ไม่มีปัทุสจิตในชาวบ้านเช่นนั้นแต่มันเป็นเป็นเรื่องบุญที่ว่าใครไปแก้ก็ไม่ได้เป็นกฎเป็นกฎก็เมื่อ ถึงคราวที่บุญจะให้ผลในใครประทะไม่ได้บ่าปก็เหมือนกันนะจริงๆไม่จะบุญบาปคือทั้งกรรมเนี่ยหมายความว่ากรรมก็จะให้ผลแล้วใครก็ไปประทะไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าไปประทะกรรมไม่ได้นะทหารทั้งหลายประธะกรรมไม่ได้แก้ไม่ได้แต่ว่าสมัยนี้ก็เก่งนะก็แก้กรรมกันก็ทัวนิพพานกันก็อะไรสนุกจังเลยเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเยอะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอยอะเนี้ยนะมีเงินท <laughs> ำงานแล้วก็ได้เงินด้วยนะมีทัวมีแก้กรรมมีอะไรตัวไร มันแก้กรรมได้แล้วเนี่ยมันก็ทำทำไมล่ะแก้กรรมนั้นหมายความว่าคนที่แก้กรรมได้นั้นคนต้องไม่มีกิเลสเท่านั้นเองพระอรหันต์จึงเป็นปุญญปาปะปายนโนคือละได้ทั้งบาปทั้งบุญแต่ว่าบาปบุญจากจุดที่ท่านบรรลุนะจนหลังจากนั้นไม่เฉพบาปอดีตบาปอดีตนั้นตราบใดที่สังขาร น, นี่ยังดํารงอยู่ตราบใดนะฮะตราบใดที่สังขารตัวนี้ยังดํารงอยู่บาปบุญนั้นถ้าตามทันก็ให้ได้ ถ้าตามทันก็ให้ได้ธาตุตามไม่ทันพอนิพานก็เป็นอโหสิเพราะว่าดัานไม่มีชาติอ่ะใช่ไหมไม่มีความเกิดไม่มีความเกิดก็ต้องไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายมันไม่มีโศกเศร้ารำไรอ่ะทั้งทุกจรทุกประจําไม่มันคือสรุปมันไม่เกิดอ่ะคนไม่เกิดแล้วไม่รู้จะเอาจะเอากรรมไปแตะตรงไหนไม่อากรรมไปแตะไว้ตรงไหนก็คล้ายๆจะสร้างวิปราศาสต์อยู่บนบนอากาศมันไม่มีที่อย่างไม่มีที่วางไม่มีที่ตั้งจริงเหล่านั้น ดังนั้นการลดกระแสะกรรมก็คือต้องลดกระแสะกิเลสกิเลสรุนแรงน้อยลงเท่าไหร่กรรมจะลดความรุนแรงลงเท่านั้นแล้วเมื่อกิเลสหมดกรรมก็หมดเป็นผลที่ต่อเนื่องกันนะเอาก็จริงและก็ต่อเนื่องกันเลยแต่ที่เราพูดยาวๆนั้นเราพูดเพื่อให้คนเข้าใจมันเป็นกระบวนการนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อจะให้คน เข า, เาได้หลักได้หลักเหตุผลในการใช้เหตุผลทีนี้ไอ้คนบางคนอ่จเข้าใจอย่างนี้บางคนก็เข้าใจอย่างนี้ก็อธิบายมันยาวๆไปเพจะเข้าใจได้สักจุดที่จริงแล้วมันก็แตะจุดเดียวท่านั้นเองนะฮะแตะจุดเดียวท่านเองเหมือนก็เครื่องยนต์กลไกอะไรอะไรเนี่ยฮะก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันทุกตัวเราเปิดสวิตช์ทีเดียวก็เดินกันไปอุตุลุดไปแล้เอ่อทีนีป้ประเด็นต่อไปคือภาสิทธิ์ของท่าน ท่านเจนว่าท่านก็บอกทำมองเป็นอุทานเปลยเปๆยนะฮะอุทานเปยเปยคล้า ย, ยๆกับพูดกับฝนวันนี้กุฏิเราก็มุงดีแล้วมงุงปิดชิดสนิท ด, ดีแล้วแล้วก็ฝาประตูหน้าต่างก็ปิดดีแล้วนะเราจะไม่มีอันตรายแล้วฝนเ อ, อ๋ยเธอจงตกเถิดก็ตก็ตกแล้วก็ท่านมาสรุปตัวท่านน่ท่านเองที่จริงท่านคุ้มครองดีมานานแล้วนะฮะท่านคุ้มครองดีมานานแล้วออด้วย การบรรลุการความเป็นพระหานของท่านอันนี้ก็เป็นการแสดงคุณลักษณะของพระอรหันต์น่ยสรุปว่าประเด็นที่สําคัญก็คือว่าในบุญญาธิการของท่านเนี่ยคุ้มครองตัวท่านแล้วก็ช่วยช่วยได้เมื่อท่านบอกว่าให้ฝนตกตกฝนก็ตกเพราะนั้นคนก็นับถือท่านในฐานะที่ออกจากขังขังนะฮะพระสุคริี่ออกจากขังขังใแนวของพระบัวเข็มประเด็นที่น่าสน สนใจศึกษาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้บุญญาณุภาพทั้งหลายนะทุกขั้นตอนที่บุคคลได้กระทาเอาไว้นั้นจะตามสนับสนุนหล่อเลี้ยงเรียกว่าวิบากขันเนะี่ยคือหมายความว่าตราดใดที่ตัวขันยังมีอยู่แล้วมันก็จะเข้าอํานวยผลได้ตลอดแล้วก็เข้าไปในสูตรทุกสูตรนะฮะสูตรนี้ก็เข้าไปทุกสูตรว่าหมายหมายความว่าถ้าตัวตั ว, ต, วตัวชีวิ ต, ตวชีวิต ยังมีอยู่แล้วบุญก็เป็นที่พึ่งบาปก็เป็นที่ทำลายนะของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นในที่ทุกสถานถ้าเหตุปัจจัยแก่แก้หน่วยไข้มาทันพระสุภูติเถระเกวียนพระมหาสาวกผู้ใหญ่นะฮะพวก 43, วก43่องค์ตอ่องค์ที่คือต่นานใช้คาว่าสุภูติกิเลสพรากจากอินทรีย์ ตั้งเป็นที่ควรนับทักษิณะคือยอดสองยอดนะท่านสองยอดคือหมายความว่ามันเสงงบอย่างแท้จริงอะ่ะคือที่จริงมันก็แท้จริงด้วยกันแต่ทีนี้ท่านตั้งบา ร, รมีมาอย่างนั้นกิเลสพระอาราหันต์หมดด้วยกันน่ยแล้วก็เป็นฐานะของทักษิณยาบุคคลทําไมทําเป็นเป็นตัวเป็นทักษิณายบุคคลคือก่อนจะบินฑบาติเนี่ยท่านต้องแผ่เมตตาก่อนทั้งทีแผ่เมตตาไ ป, าปาทัสปัสัตถ์ทั้งหลายก่อ น, น, นทีคือนั่งสมาธิก่อนอก่อนจะบรรลุอาราหารันตัทงกระทำอย่างนั้น การก็ทําให้ทานก็มีผลมากเพราะว่าอะไรมันก็พระอาหารหันต์นั่นเป็นทักษิณาญาบุคคลอยู่แล้วะทีนี้ท่านไปเป็นนั่งสมาธิก็อีกเราจะเห็นว่าพระอาหารหันต์ก็เหมือนกันถ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติมันเป็นทักษิณาบุคคลสูงกว่าปกตินี่ก็ในสรรมะทาคุณสี่ที่เคยเล่ามานะท่านท่านทั้งหลายมันต้องต้องต้องต้องเชื่อมโยงกันได้ว่าไอ้บางตอนที่ที่เคยเล่ามาแล้วก็จะไม่ล่า แต่ว่าเมื่อมาอยู่ในเรื่องเดียวกันนะก็ต้องบอกให้ฟังว่าเรื่องนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้ทําให้ท่านเป็นอยู่ในฐานะทักทิญญบุคคลที่พิเศษขึ้นไปเพราะแผ่เมตตาก่อนทุกครั้งที่จะบินเบาตดแล้วก็การแผ่เมตาก่อนจะไปไหนมาไหนนั้นก็ถือว่าเป็นสวัสดิมงคลนะฮะคนสมัยก่อนออกจากบ้านก็จะยืนแผ่เมตตาไปก่อนทุกคราวเพื่อจะสร้างความไม่มีเวรไม่มีภัยระหว่างตนเองกับสัตว์ทั้งหลาย แ, แม้จะไปทำอะไรไปเดินเหยียบอะไรอะไรก็คือถือว่าไม่ได้มีความจงใจจิตใจก็จะมีความสงบเจ่อเจนแล้วก็กลายเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันตนได้ระดับหนึ่งวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันทุกท่านเถอ